การค้าขายยาพิษดูก่อนภิกษุทั้งหลายการค้าห้าอย่างเหล่านี้แหละอันอุบาสกไม่ควรทำสี่ิบห้าคนพูดมากมีโทษห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดมากคือหนึ่งยอมพูดปด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 ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย48่สอ น, นิสง์ของความอดทน5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสง์ของความอดทน5ประการเหล่านี้คือ1เป็นที่รัก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 า น, นิสงของข้าวยาคูห้าประการเหล่านี้คือหนึ่งบรรเทาความหิวสองบรรเทาความกระหายสามลมเดินสะดวกสี่ชำระลำไส้ 5. ทําทอาหารที่ยังไม่ย่อยที่เหลือให้สุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอา น, นิสงของข้าวยาคูห้าประการเหล่านี้แล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 ห5หอานิสง์ของผู้หลับโดยมีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงค์5้าประการเหล่านี้ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เทวดารักษา 5. น้ำอสุจิไม่เคลื่อน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงค์ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับห้าประการเหล่านี้แลห้สอากุศลราศีหรือกองแห่งอกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าอากุศลราศีหรือกองแห่งอกุศลเมื่อกล่าวให้ชอบ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 พหุสุดโตสะดับตรับฟังมาก 4. ผู้บวชเมื่อแกเป็นพระธรรมะกะถึกคือผู้แสดงธรรมหาได้ยาก 5. ผู้บวชเมื่อแกเป็นผู้ทรงพระวินัยหาได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแกที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลหาได้ยาก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 59. สัมปทาหความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทาหเหล่านี้คือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อหมายเหตุอันประกอบด้วยปัญญา 2. สศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลส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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าอย่างเหล่านี้แลอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครในโลกไม่พึ่งได้จากข้อ44จนถึงข้อ61เอเป็นข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกาย